วันนี้เรามาจะมาสโเพื่อที่จะได้รับการจจากพุทธชนาคของพระเจ้าวันนี้เรามาเพื่อที่จะได้รับการล้าหลุจากพฤติรรมของพระเจ้าผ่านาผู้รับใช้พระเจ้าวันนี้เรามาเพื่อที่จะได้เสริมสร้างสื่อกับรายการถุงใจสื่อกับรายการร่วมใจกันร่วมกันรมกาพระเจ้าผู้ทรงประชดถึงด้วยการขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรง บาเวลาชีวิลาหลงอาจจะให้กับเราออกตื่นโรกถ้าแต่พระเจ้าเราก็มีอีกหลายเรามีมากมายที่ไม่สามารถที่จะมานำมาสการ่วมกับเราได้อาจออาาาอาจะเนื่อด้วยสุขภาพร่างกายอาจจะเนื่องด้วยสิ่งใดก็ตามก็ขอพระเจ้าทรงช่วยท่านเหล่านั้นเราเรารู้สึกท่านที่จะมีโอกาสมานมัสการมีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความรักความเมตตาของพระเราขอคุณพระเจ้าคพระเจ้าทรงประทาน เวลาให้กับเราเวลาช่วงต่อไปนี้เราจะน้อมสักการพระเจ้าด้วยเสียงของเราจะน้อมสักการพระเจ้าด้วยรูปธรรมของพระเจ้าที่ได้ผ่านผู้รับใช้พระเจ้าขอของพระเจ้านขอที่เราทุกท่านในมาวันนี้ที่จะได้รับการยินใจแล้วช่วยผู้รับใชของพระเจ้าที่จะให้ความจริงจากรูณธรรมของพระเจ้าจะเป็นอาหารประจิบยาที่อร่อยที่เป็นจิบยา เาจะพระเจ้าคำของพระเจ้าเราหลาข้อดีนะครับหลัจากนั้เราจะถ้ามาสังเกตพระเจ้าทุกทุกเองที่เราจะรับด้วยการต่อเรื่องการนะครับพระเจ้าคำของพระเจ้าที่อยากจะให้พี่น้องที่ให้เตือมจิตใจของเราเลยครับบอกว่าในโกลสีบทที่3ข้อที่สินงกล่าวไว้ว่าจงให้พระวาระของพระทิศตาวโรงอยู่ในดวงข้างหยาบบ่อยบุญจงสั่งสอนและเตือสติ กันและกันด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเพลงสรรดีเล่นนมาสการและเป็นสรรเสริญด้วยใจมวลขนาขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าเราช่วงต่อไปเราจะน้ำมาสการพระเจ้าร้องเพลงนมาสการเป็นสรรเสริญด้วยใจมวลขณะขอบคุณพระเจ้านะครับอห้พี่น้องที่จะยืนขึ้นนะครับเราจะร้องเพลงเช่นนั้นนะครับ Thank you. นยรด้วะรครับในเช้านี้นะพี่น้องไม่ทราบว่ามีใครที่รู้สึกเหนื่อยล้าบ้างไหมครับหรือว่างาว่าวงเหาหงานอนอะไรบ้าครับในเช้านนี้นะครับท่น้ครับไม่ต้องเกรงใจครับสาวผ้าออกมาได้เลยครับ แล้วเราก็เชื่อะว่ารมาที่นี่เพื่ออะไรครับเพราะว่าเราจะมาฟังพรเ้าผจ้าแล้วเรามีความเชื่อเหมือนกันหมดแะครัว่าพระเจ้าผู้มีเจ้านั้นจะเติมกำลังให้เประกอบงานในการที่จะเอานะความเหนื่อยล้ามาปลอบประดานะครเราทางานนะตอนบนก็ทางาน5วัน6วันนะครับแล้วก็ทางานแต่เช้าจบเย็นนะครับาหารกินข้างว่าชื่อว่าความเหนืเหนื่อยนะความเมื่อยล้านทางไหนก็มีขึ้นเป็นธรรมดาครับทีนี้ถึงเสร็จวันนี้เรามาก็จะรับการ อยจะทำนี้นะครับบ่อยเจอพี่น้องที่อยู่แถวหลังนะครับนวดฝ่าใพี่น้องที่อยู่ข้างหน้าทางหม่นครับแต่ให้เดียวกันนะครับนวดให้ข้าไหนอะอ่านะครับนนครับรายมาทุกีครับอ่าแล้วก็ถามถามางไนเป็นไงว่าเอามมือนนวดแล้วเป็นยังไงบ้างหายไมนะครับหรือว่าเป็นนะ ก็ให้กำลังใจนะครัว่าขอพระเจ้าเสริกำลังท่านนะครับแล้วเราจะไหวตานในการขอพระเจ้าที่จะเสริกำลังเราทุกคนนะครับให้เราที่จะเอาชนะความเหนื่เหนื่อยไม่ร้านในการทํางานในการเรียนนะครในการเรียนที่บอกทุกเรานนะครับถ้าแต่พระเิดาเจ้าช่วงตรงเป็นพระเจ้าประจันทุกข์ของเราทั้งหลายค้าแต่เจ้าตอนนี้เราขอสมบูความคิดจิตใจถึงสอบเรื่องน้ำต้เราเข้ามาเพื่อจะ ปรมาทเรียกการถอนถอจากโลกประมาทเรียกการเริมกําลังเรียการเติมกำลังจากพระเจ้าของพระเจ้าเราขอพระเจ้าช่วยเราลุกขึ้นด้วยวันนี้ที่เราจะมีความเข้าใจภายในเราจะสามารถไม่เพียงแต่เรียนรู้แต่เราจะสามารถนําไปใช้ปฏิบัติใต้ดินในชีวิตขอหลายเพ่เราจะเป็นผู้เปียนเป็นหนุนของโลกที่น่ารักและเป็นที่รงของโปรดปางและจะเวิร์คพอเราให้เราเป็นบอ ไลฟ e สไตล์นี่หนูวิจิชีวิตของคนดูใช่ไมครับก็เห่เหนื่อไม่ราใช่ไครับไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปฝนสาารณะเพื่อความมันเดินเือออกลังกายทีใครมีโอกาสได้ไปฝนสาารนะในช่วงระหว่างประกาไรอยังครับออคุณระเจ้านะครับก็ดูจากมูลคยงนะครับก็แต่สวนแทบจะเป็นหนึ่งปร์นต้น่ใช่ครับก็ไม่เป็นไรนะครับพวกที่ไม่ค่อยมีอะไรได้ไปนตัวเนี่ยเช้านี้ผมนะยกมา5้าวนสาธารณะนะครับเพื่อจะมาแนะนาคนดูอย่าง เางดูด้ยกันะครับวจะถามนะครับว่าสวนแต่ละที่เนี่ยนะครับท่านรู้จักไงมว่าชื่ออะไรและอยู่ที่ไหนะครับภาพงภาพที่หนึ่งด้วยกันครับอันนี้เป็นสวนอะไรครับอยู่ที่ไหนครับสวนอะไรครับสนีบอกสวนกวาอะไรครับผมดูนะครับมีสวนอะไรมั้ยเฉลยนะครับรูีนะครับรางนะครับแล้วก็ที่สองนะครับสวนอะไรครับ อกาครับติดหรือเปล่าครับมีเยลลี่ไหมครับไม่ผนะแลัวก็มีชื่อมันไม่ค่จุอกไปนะเป็นอุทยานนะครับอุทยานอะไรครับเจ๋เป็นจัตุรันะครับวันนี <o S 2> <your head. S 2> ้อยู่ตรงเหนตู้มิ้นนะครับมช่องว่างซอยที่22นะไปๆจำเล้ไปได้ครับน่ี้ยเข้าฟรีนะแล้วก็เปิดหลับเดียเข้าไป ตัวอะไรครับใครที่ตอบัูกไม่ถูกตัดสยังไงไม่ใช่ครับตัวอะไรครับอ่าเป็นอย่างนินติงนะครับมันอยเางอินติ้งนี้อยู่ตรงไหนครับตุมเทยิดินนะครับตรง้นใจตมทลิดินอันตัวนี้ตีแล้อ่าตัวนะไรครับใครที่ไปบอกที่ไหนยูคาร์บีตัวจรวดจับเองนะครับตัวะไรครับอ่าก็อยู่แถวโคโยตินนึนี่แหละแล้วก็ตัวที่ห้านะครับ นี <necessary. S 2> ่ตรงแี no, no. Go back. Go back ้รถไฟมีรไฟกันแล้วถือชื่อเต็มๆของเขาไดคือวัดจีระเป็นจตุัสนะครับหรือว่าสวน่อไฟจะยอดนึงกันนเองครับน้องๆครับถ้าเกิดทางจักเราเนี่ยนะครับเจรจจัดโปรแกรมัวมสวนเนี่ยนะครับเพื่อจะให้พวกเราไปเดินทางไปสำลักไปออกกำลังกายไปทำแรงนะครับแล้วก็จะ้ิตแมีพลังมีชัยนะในทุกวันนะครับไม่ทราบว่ามีใครสนใจไปไหมครับ จะทัวร์สวนเขาตากเขาคลิปปี้ปเนียไนะครับกล่าวดีมาแล้วนะครับพี่น้องนะครับวันนี้นะครับเราเราจะจับทัวร์เป็นรูปแบบนะครับไปสวนเก่าแก่แห่งหนึ่งนะครับสวน น, วนี้มีภาพอยู่นะครับว่าสวนแห่งนี้เนะนี่ยชื่อหลายแล้วออกอ็อยู่ที่ไหนนะครับนนะราาดูสวนครับวนแล้วบรรยากาศมะไยังไงครับ ว, วันนะนี้เป็นบรรยากาศยามเช้ายามกลางวันตกใสอันนี้เป็น อีกในช่วงเวลานนะครับเป็นเวลาแองพระเจดีสบนะครับแล้วก็ส่วนอย่างนี้เนี่ยมีมีมีความหนักนะครับเป็นที่ที่พวกมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นทั้งที่เป็นพระพรเป็นอะไรที่เป็นเป็นแบบอย่างให้เราได้และเป็นแบบอย่างที่เราไม่ควรทางานก็มีครับชื่อส่วนนี้ชื่ออะไรครับมั่นใจนะครับส่วนเกตมาเนนะครับอยู่ที่อิสาเองนะครับ ตัวนีนะครับอยู่ตรงเชิงภูเขามากอกเทศ น, นะครับซึ่งเป็นภูเขาที่ตเตี้ยนะไม่สู่และอยู่ตรงตะวันออกของฟุกนเทลนเป็นที่คันน้ำมันมะกอกนะครับขึ้นๆโดยชาเลยนะครับก็เลยใช้ชื่อว่าโินียนะครับเพราะว่าเป็นใช้ที่สำการค้นน้ำมันมากอกนะครับน้ำมันมะกอกนี่เป็นนะ น, น, น, ป น, น, น้ำมันราคาแพงนะครับเราใช้กันอย่างน้ำมันพือต่างๆนครับแต่น้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันที่ชาวบริวอสตทาง กับงานหน้านะครับพี่น้องเรามีงานอะไรครับงานอีสเตอร์นะครับเป็นการที่เราจะเริ่มถึงการต้อนึับช่วนขันอีสเตอิตนะครับก็สามารถที่จะพี่น้องก็เชิส่วนผู้ที่เป็นเพื่อนเราที่ยังจับไปได้ให้เข้ามาถึงกันได้ลืมรถแข่งงานได้นะครับแล้วก็จุดไฮไลท์วันนี้นะครับ1อาทิตย์ก่อนถึงวันอีสเตอร์นะครับเราจะมาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงกับงานสุดท้ายก่อนที่ไปดูจะเดินไปถูงเส้นทางของงานเก่งแล้ก็จะต้ถึงับช่วงในวันที่3นะครับ เี่ย้อมาในช่วงหนึ่งสดานนะครับวันอาทิตย์นะครับวันที่ก่อนวันอาทิตย์ที่เป็นลีเตอร์นะครับวันาที่วันนั้นเนี่ยเมื่อสองพันปีก่อนเนี่ยเป็นวันที่พระเยซูเนี่ยถ้าเราจได้เาอ่านพระิบ่อยๆนะพระเยซูสรงลูกลาเข้ากุงเยรมนอย่างผู้พิชิตนะครับแล้วก็อวันจันทรเป็นไงครับพระเยซูก็เข้าไปเขาิหานแล้วพระสารพุทธอธิษาวันอังารระองคอะไรครับสรงโต๊ปอบกับพวกยิวสามพุมใหญ่ๆด้วยกันนะที่มาได้เรียนอะไรพวกนี้กั วันพุธตรางๆของพน้ครับพวกก็อยู่ภาคนพุธนะแต่นี้พฤหัันนเป็นวันที่ไทไลน์นะเป็นวันที่พงจัดินเมื่อนะรัวปัตติกากับเราอาวุธสองคนนะที่ห้องถบนแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานในงก็เสด็จลงมาพาพวกเขาเนี่ยจากองคนลงมาเข้าไปที่สวนเกตเคมนี่นั่นคือในวันพฤหัส ท, ท, ที่เิด็ปนอนวันพฤหัส ท, ท, ทึ่งโมงนี้จะเป็น สถาไหนาว่าเป็นเป็นบรรยากาศที่เราอจะต้องมีการพักสงบของจิตใจแล้วก็ฟังการตือนภูมิลมอะไรบ้างนะในในวันนั้นนะครับใครพร้อมแล้วบ้างครับที่จะไปนเตรียมือนานะครับนไหครับหายครับให้เราเตรียมไว้แล้วบอกว่าเย้ครับ ก็คณะชื hmm. ่อนะครับตรงกว่านี้นะครับเรียกว่าเรามีคชื่อเลยนะครับาที่ว่าคณะมาคิวนะครับท่านชื่อคณะมาคิวนะครับกับน้องปุ๋ยแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับว่าคณะมารโคนนะครับนามาโคนะครับส่วนน้องตรงนี้นะครับก็ชื่อฮานูการนะครับทำไมเราต้องตั้งเป็นสามคณะได้กันนะเพราะว่าทั้งสามท่านเนี่ยได้บรรลึกเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นสงครามเยอรมันในท่านคุยตอนนครับสามท่าน ด้วยการนนะัดที่บับนีนตรงนี้นะครับสำหรับต่าคณะได้นะครับสูเปิดไปที่มัดจิวนะครับบทที่ยี่บหกสบสาสิี่หกนะครับมัดจิวยี่สกสามสี่หกนะครับแล้วก็คณะที่สอนะครับคณะมาร์โนะครับสี่หนงี่สองนะครับแล้วก็คณะที่สนะครับบูการยิสอง้าินครับ สองยี่ส2บหกแปหกสี่หกนะครับฮาราโก14 32ิบสี่ดอสี่สองูกายี่สองสามเก้าสี่กนะครับเนื่องจากเวลาตัวระเบียบกำกับ น, น, นะครับเราจะขออนุญาตให้เฉพะนาะขณะที่3ามนะครับ ในบทเวลาเราศึกษาข้อมดีนะครับเราจะต้องเอาทุกวดทุกตอนที่เกี่ยวข้งองกับเนื้อเรื่องที่เร า, ากำลศึกษาเนี่ยมาการดูพร้อมกันเพราะว่าทั้งสท่านนะครับจะเป็นผู้กำลังมองกันแต่เนเรื่องที่สองท้องถิ่นทุนทางการไม่มีอะไรขาดแย้กันะครับแต่บางท่านเนี่ยจะมีมีมรายละเอเียดบางเรื่องลงไปบางท่านก็จะผู้กว้าง น, นะเนราะฉะนัเราจะวันนี้เราจะใช้พระธรรมบูชาในการาที่จะอธิบายประการตา ขึ้นแล้วก็ว้องเจินมาถึงเร า, าเขาพบเขานอนหลับอยู่ด้วยกําลังทุบโถกก็จองยิ้มสกับเขาว่านอนหลับทําไมตรงลุกขึ้นอสถานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกฆ่าโดยตลอดส่วนที่จะอธิบายสั้นๆ น, น, น, น, นะครับว่ามีการมีความตรงไหนที่วันที่เป็นจุดตัดนะครับเช่นในมัตสิวโมารโกเน่ได้ออกถึงคําว่าส่วนเกสรใน ตำแหน่งขนกันเมย์ที่ภูเขาองเทนะครับแล้วก็มัตวบอกว่าเปเยซูพาสาวกระโองในของพรงเนี่ยมนเป็นโตกับทั้งสองของเหตดีใช่ไหมครับแต่มาระโกเนี่ยก็บอกไปว่าเป็นสองในชื่ออยาางขกออยอนนะส่วนดูการก็บอกตรงไปเหลาสาวมัตติวบอกว่ามัตติวโ นี torture, ่ยตัวตัวหนึ่งเราถือว่าเป็นไภัยร้ากาจอย่างหนึ่งของเราผู้เชื่อที่ติดตามเพินิจนะครับคืออะไรทราบไหมครับคืออย่างนี้นะครับการหลับไหลฝ่ายวิญญาณนะครับวันนี้ขอพระเจ้าที่เมตตาช่วยพวเราไม่เพียงแค่ได้เรียนรู้วิธีวิธีในการเอาชนะการหลับหลฝ่ายวิญญาณนะครับแต่สามารถจะนําหลักการเนี่ยนะไปใช้ได้จริงจังแล้วก็เป่าเนื่องอยางมีชนะผู้ฝันผู้ฝันนะครับอเมนะครับ อะไรคือความสุขที่สุดของมนุษย์กันหรอคิดว่าอะไรเป็นความสุขที่สุดของเรายิงแล้วอะไรครับไม่มีสุขไม่มีเบดนะครับเรื่องความก็ส่วนตัวนะที่เราคิดว่าอะไรที่เป็นความขอมสุขของเราที่สุดนะครับถ้าเกิดเราไปถามคนส่วนใหญ่เนี่ยจะได้คําตอบอย่างนี้ตรงที่ว่าคนวนี่จะคิดถึงแค่สออย่างนี้นะครับคือนอนหลับกับความคายได้นี่ก็คือสุขที่สุดในชีวิตเราครับเห็นไหมครับ อันนี้พูดถึงแม้ใ้พูดถึงเรืองของไฟป็นยานียโดยทั่วทั้งไฟในการที้ยิเราเลยนะครับเราก็คงเห็นว่าโอาท่การที่เราหลับได้ลรวก็ขัดทายได้เนี่ยโอ้มิเสุดล้วไหมครับแต่ตรงข้ามก็คือเราเราหลับนอนไม่หลับไหครับอย่างเมื่อคืนนั่งฟ้าผมนอนไม่หลับเลยไม่ได้ใกว่าเลยถามว่าเะพราะอื่นเส้นที่ต้องมาปล่อยเป็นพิเศษในรนี้หรือเปล่ากัวว่าไม่ใช่คาัจริงจ แต่ก็แต่ก็นอนไม่หลับนะนี้ก็มาหลับตอนตอนตุ้มแสงนะอาจจะถึงเส้นที่ได้มือข่าได้มาพบพี่น้องด้วยนะรับจังจะเร again, again k k ียนเช้าอย่างเี้ยแล้วก็การถ่ายได้นะโอถ้าเกิดลองถ่ายไม่ได้นะโอ้ไปที่กินผ้านะแล้วก็ไม่ดีมากๆหรอกโอ้าพนา้วการหลับได้กับถายได้นที่ดีทาไมนั้นเขคงไม่เรียกว่าเป็นการตกทุกขใช่ไหมครับการนอนหลับพอแล้วกมาเจ็ชั่วโมงเป็นถึงที่ดีแต่ถ้าเราหลับนอนไม่หลับเนี่ยโอ้ผ้ของเราก็จะแยมแย แต่ถ้าเรามาไปเนี่ก็ไม่ดีเชนกันนะครับในพรอพรมีก็ยังสึกษความคิดนี้เหมือนกันนะครับว่ามนุษย์เราต้องรู้จักพ่าก่อนห่ายร่างกายให้หายเหนื่อยเช่นกันแต่พ่อทีไม่ศึกษาให้ยืดนิ้เนี่ย น, นอนหลับไรครับนอนหลับเฉยดีแต่ถ้าก่อนอนหลับไหลเนี่ยมันไม่ดีแน่นอ น, ไไนครับพอนหลไปเป็นไงครั บ, ลบหลทบติกเพิ่ม <laughs> มับมติ๊กเพิ่มผมก็เราไปคิจารณาในของความหมายมาของสำนักงานราชบรรณยกปรา ก็ได้ความหมายอย่างนี้นะว่าการหลับไหลนี่เป็นยังไงนะก็บอกไว้ว่าคําว่าไหลเนี่ยที่ใช้ไม้โมน้นไม่ใช่ลาพังเนี่ยนะต้องใช้ซ้อนกับคำอื่นด้วยได้แก่คาว่าหลงเป็นคําว่าห ล, หลับไหลนะแล้วก็ไปใช้ซ้อนกับคำว่าหลักเนี่ยก็เป็นหลับไหลคําว่าไหลเนี่ยที่ใช้ไม้มวมเนนะครับหมายถึงเลำพัง ามาถึงก็เมื่อก็ในภาษาลาวเนี่ยก็มีคําว่าไหลแบบนี้เหมือนกันนะครบับตด้วยไม่เหมือนกันมาถึงเสเมอหรือว่าพูดในเ ว, เวลาที่เสื่อสติอย่างคนบ้าที่ที่เาถูหลอกให้ตกใจก็พูดพูด อ, ออกมาอะไนะฮะนั่นเรียไหลเลยน ะ, ะ, นะ เ, เป็นอยู่นะฮะ แล้ัสถานการเนี่ยอาจารย์พิกรณ์จิตเจริญพรเนี่ยได้เขียบนบทความที่น่าสนใจนะเกี่ยวเรื่องของการการหลับไหลฝ่ายวิญญาณเนีท่านเขี ย, ยนไว้ได้ว่าอย่างนี้นะว่าการนอนหลับฝ่ิญญาณคือการที่เราอยู่ในสภาวะที่ไม่มี ส, มสัมผัสเนื่อไม่สนใจไม่ใส่ใจหรือละเลยต่อโลกฝ่ยายวิญญาณชีวของเราการนอนหลับฝายวิญญานั้นมีสาเหตุมาจากการที่ชีวิตฝ่ยายิญญาณของเรานะั้นสบายจนเกินไป ซึ the smoking smoking, hmm. at ่งขณะที่เราสบายๆเนี sure Bref, kommen, um, ่ยเราก็มักจะเปิดฝ่ายวิญญาณไปเรยนรู้ตัวแล้วอาจารย์ก็เลยให้หลักไว้ตบทสอบนะครับเราทำกานบทสอบเนี่ยตีข้อด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอะพราะข้อเนี้ยเราตรวจโภาพการระลับของเราไหมว่าฝ่ายวิญญาณเนี่ยอนการระลักเป็นยังไงนะครับรลสายรุ่งปากหรือว่าการรลักประหดีนะหนึ่งนะครับคนที่กำลังระลักวิญญาณเนี่ยไม่สามารถควบคุมท่าทางของตัวเองได้เป็นไหมครับ อย่างเวลาเรานอนจริงๆใช่ไมครับ่เมื่อคืนแงไม่ต้องคิดใส่ใมากเมื่อืเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เวลาเราเข้านอนนะครับฟังของท่านอาจจะุูภาพดีนะโ้นจะนอนท่านี้หลับสวยๆหน่อยใช่ไมคัเพรตอนก่อนก่อนนอนหลับเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดีไซน์ออกแบบถ้านอนด้วได้ควรต้องเคยนะเวลานอนนี่คนนี้เราขอนอนแบบนี้ด้วกันเพราะเรียนมาบอกว่าให้นอนท่าตรงก้มมือพัไว้ที่หน้าอกนอนนี้หน่อยครับเพราตอนก่อนก่อนหลับเนี่ยเราก็วางแผนออกแบบถ้านอนรอได้นะ ก็หลับหลับไปแล้วเป็นไงครับขอนที้ก็อย่างนี้บ้างนะครับอย่างนี้บ้างนะครับรือว่าจะมีน้ำลายคลุ่าบ่างนะครับขึ้นอะไรเงี้บเราไม่อยู่ในระดัะที่ว่าไม่สามารถควบคุมท่าทางเลยถ้าเกิดเราเราหลับไปแล้วนะเห็นด้วยไหมครับใช่มครัเช่นเดียวกันนะสนที่หลับไปยวิญญาณเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะควบคุมความเคลื่อของตัวเองได้เลยถึงถ้าเวลานี้เนี่ยเรา มัจกจกไม่สามารถที่จะควบคุมการด้วของตนเองได้บ่อยๆนั่นหมายความว่าเป็นสัญญาณน้ว่าเป็นสัญญาณชี้ว่าท่านกำลังหลับอวิญญาณก็ได้นครับระนั้นนี่ยเนรผ่านรับความที่สองเนี่ยคนที่กาลังหลับอวิญญาณเนี่ยไม่มีสามมันสมนว่ามีใครอยู่ข้างๆเพื่เตียนนะนะครับถ้ากำลังหลับใยวิญญาณเนี่ยจะไม่มีสามมันสมนเยว่าใครอยู่อยู่ข้างกายเราเราต่างก็ท่านดีนะครับ เมื่อเราตื่นฝายญานเนี่ยเราก็ตระหนี่นาว่าใครเป็ผู้ย อ, อยู่ข้างกายเราครับใครครับพระเจ้าใี่ไหมคพระเจ้าผู้สรงพรชนเนี่ยมานอยู่ข่างกายเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในบสถอยู่นอกบสถอยู่ในบ้านอยู่ที่งานที่เรียนนะครับพระองค์ก็อยู่ข้างกายเราตลอดเวลาเมื่อเรามีสติฝายญาณแต่ถ้าเราหลับฝ า, ายญาหลับหลายฝ่ายญานเนี่ยนะเราก็จะบ้านาันนะครับเป็นถ้าเราสำนึกว่าพระเจ้าอยู่ ข้างเราต่อเวลาเนี่ยะครับเรามีสมาธิหรือเปล่านะครับเราก็จะกล้าขมับหรือครับเราจะกล้าขมิบเครื่องเพศหรือเปล่าครับเราจะกล้าดินคาหรือเปล่าครับเราจะกล้าขโมยหรือครับเราจะกล้าโกรธกลียดทางพี่น้องของเราหรือปล่ถ้าเราไม่หลับแต่มีสมาธิเนี่เราก็จะไม่กล้าทําความผิกพาดเลยเราสำเน็กว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราดังนั้นถ้าเรามีประสบการณ์ที่ชอบทำงานเนี่ยนั่นหมายความว่าเรากําลังสอบตกข้อนี้อยู่นะครับข้อที่สามนะครับ ผู้ที่เราฝันฝัญาณไม่มีสามัญสองนึกว่ามีอันตรายอยู่ข้างๆนะครับนอกจากไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างกายเขาเนี่ยแถมยังไม่ไม่ตระหนักว่ามีอันตรายอยู่ข้างๆ้วหน้าเขาเมื่อคนเรีอนหลับนะครับเราเอามีดนะครับหรือเอาของแหลมของมีคมเหไม้เนี่ยไปตีจนคนท่าจะไปตีเขาเนี่ยถามว่าเขลงไหครับถ้าเขาหลับเขาไม่หลงครับเพราะว่าเขาไม่มีสติเขาไม่มีสามัญนึกว่าเขาาลงจะมีอันตรายใช่ไหม เช่นเดียวกันนะครับเกิดทีเปียนกหลัระบายัญญาเนี่ยเขาไม่มีความารถึกเลยว่าศัตรูเนี่ยกลังจะต้องเล่นงานคิตของเขาอยู่ดังนั้นชืวิของเขาเนี่ยจะอกอยู่ในอันตรายไม่ค่อยทระวับางครั้งเนี่ยก็ลมดงแล้ก็คังท่าอยู่เรอในการต่อั่นเป็นโหมดการที่กลังระบายก่ญาหันไปข้อนี้นะข้อที่สี่นะครับไม่มีสามานึกเกี่ยวกับเวลาที่กาลังผ่านไปยกตัวอย่างเช่นลยเรากาลังนั่งรถเดินทางใช่ไหมครับ จากกรุงเทพเนี่ยไปต่างจังหวัดนะครับถ้าเรานอนไม่หลับเนี่ยเราก็จนะรู้สึกอะไรครับตับปลาสายเลื่ยยิ่งนั่งไปใใในในไกลๆอย่างเชียงใหม่กันนะครับผมไม่ได้จะถึงเนี่ยอยากจะถึงละอะไรเงี้ยตับประสายนะครับแต่ถ้าถ้าหลับนะพอตื่นมาเขาท้าวถึงแล้วรนะือเปล่านะเวลาผ่านไปเหมนแป๊บเดียวเองเราทำหน้าที่เป็นเวลาที่เท่ากันกับการหลับการไม่หลับนะครับแล้วถ้าเรานอนหลับผ่นานิญญาเนี่ยเราก็จะไม่ เลยว่าเวลาที่มีภ่าของชีวิตเราเนี่ยนะที่พระเจ้ามีอยู่สองเราเนี่ยที่ชัดเจนเยนะการผ่านไปในแต่ละวานเอาแล้วเราเล่าเนี่ยนเราอยไม่ได้ทำอะไรเลยที่มีความหมายที่ใช่จริที่เป็นอยู่ส่งที่พระเจ้ากำหนดห้กเรานยว่าจะเป็นการเป็นพยานกดีนะในการนาคนรู้จับพระเจ้าในการเข้าเข้าพระเจ้าในการสร้างสาวกในการมาขึ้นจากมาอธิษฐานต่างเนี่ยเราก็จะเราก็จะเลยไปแล้วทำอะทำแล้าอะของเราใช่ไหนั่นเป็นสับในการตรวจสอบสี่ข้อนะครับ ใครได้เมครับดวงจ้าเป็นตาเรานะที่เราจะผ่านนะถึงแนมะ้อาจไม่เตนะแต่เราเรามั่นใจว่าเราผ่านได้ไม่ใช่ด้วยกำลังของตัวเองนะแต่โดยกําลังของพระพิดาศุลกับเราครับสนะ่วนผลเสียนะครับสองาั้นสายผลเสียเป็ไงครับผนเสียเนี่นะครับยกตัว อ, อย่างสองอย่างนะครับอย่างแรก น, นะครับเรา่าสาวกเนี่ยนคะือสองคนเนี่ยเรจะเห็นเมื่อเราอ่านใ น, ในใหนังสือทำไมครับก็เยซูชวนให้เขาทำอะไรครับปฏิบัาน แต่พวกเขาทำไรครับเขาเไม่ได้แค่นุ้นอนนะครับเขาหลับกลางยืนสารยัมีมีมีอยู่ปังฟังฟังเล่นใช่ไหมครับเขาจะมาได้ยินาราโภมาที่บอกว่าพวกเขาเนี่ยหลับกลาดืนสานขึ้นการเล่นมิขึนงไน่หมครับแต่เขาเขาหลับไหลนั่นคืออาการหลับไหลไปนะครับชวนให้รู้ทำไมถ่านไม่ได้ถ่าแล้วก็ผลเไงครับหลังจากเหตุการณ์ในถึงเกมส์กันเองใก่ไหมรับก็ยูดาตเองก็เป็นคนนึงในถ่าที่ไม่ได้ถ่าแล้วก็อะไรครับ ในกครทะหลาะทายที่ยซูิป็นแค่เงนด้วยสนีเงิายที่ยยทนนเยซูเขาาสหมาแจ้โลงแล้วก็สาวกที่เลือเป็นคนอะไรครับก่อนหน้านั้นที่จะเข้าไปสวดโทงก็อยู่กบบยี่งชั้นบนกันใช่ไหมครับอาล น, นเนอร์กันแล้วก็พวกเขาสัญญาเป็นมั่นแน่เลยว่าเยซูพวกเราจะไหนก็ตา์จะไม่ทิ้งโลงยังไงก็ตามก็ไม่ทิค ง, งับแต่พอถึงเหตุการณ์สำคัญเป็นไงครับเกิดคนวิ่งหายแล้วก็ไปตองเป็นอะไร ก็เห็นเห็นนะครับว่าการที่พี่สูตชวให้อดีานแลวไม่ไดอีพานเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นการเป็นสงคราธรรมดาได้น้อยน้อยชนะได้นะครับแต่สุดท้ายแพ้แล้วใพ้แบบจักษ์ใหญ่บางคนตกตวนะครับร้การแพ้แบบนี้เป็นการแพ้เป็นเพราะอะไรการละลรยปัญญาจะยากอยากให้เราถนัดว่าการละลายปัญญาเนี่ยมันเป็นภัยมหัินะครับที่ตีต่อเราแล้วก็มีความกดดันเรากระจ่าด้วยนะแล้วก็กรตัดหุ่นอีกข่านหนึ่งนะ ที่อยู่ในสมัยอดีตนะครับท่านชื่สอสละมณนนะครับท่านเขียนสุภาษิตไว้ดีนะแล้วก็นี่เป็นหลักการในการเสเนินการปกครองประเทศของท่านเลยนะับเพราะว่าท่านก็เป็นความพยายามร่วมเมืองมากท่านเขียนไว้ในสุภาษิตวัที่ย <mus i q S 1> ี <ader> <available> ่ิเขจะถาว่าอย่ารักการหลับไหลดูนัดแล้วหลีกชัดเจนนะเรื่องเขียนไว้นะอย่ารักการหลับไหลอย่าไปรักเด็ดขาดกับการหลับไหลเพราะว่าจะเป็นใคมาอ่าต่อต่อเต่อไปจ เมื่จากตรงนี้พวกเนี่ยก็อยากจะให้ท่านนที่จะเราจะมาออกากาศจิเตเราเ้นนื่องในครานี้ดีไหมครับนะว่าฉันจะไม่รับการหับไหลโอเคไหมเราจะประกาศเจตนลของเราชัดเจนนะอย่างนี้ว่าฉันจะไม่รับการหลับไหลนะพร้อมกันนะครับสองครั้งหนึ่งสองครั้งฉันจะไม่รับการหลับไหลฉันจะไม่รับการหลับไหลดูนะักเรียนะครับ แล้วจะทําัไงเนี่ยมีวิธีการเนี่ยครับจะไม่รักใครหรือไงมีวิธีการเนี่ยครับมีพฤติกรรมเนี่ยครับวันนี้นยเราจะมาดูกันนว่าโจทย์ของเราเช้านี้เราพร้อมกันแล้วทุกคนนะโจทบ์ตอนนี้เราจะเหมืกันหมดนะว่าท่านไม่ต้องการอะไรบอัญญาเนี่ยทันจะต้องทำยังไงบ้างนั่นคือโจทย์ของเราครับท่านไม่ต้องการอะไรใบอัญญาเนี่นต้องการทำยงไงะต้องจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็เราจะมีขั้นตอนนะครับ เราเรียกว่าเป็นขั้นตอนที่ไายของเพราะว่าอีสเตอร์เป็นเรื่องของแจชนะใช่ไหมครับเราจะถามนว่าเป็นที่ไต่ของผู้ชนะจากอออีสเตอร์นะครับเราจะได้ทำง่ายๆมันเป็นยุตรการมิตรการจากออเพื่อเราจะเอาชนะการระบายอากาศนะครับ้วก็เคล็ดับนี้เราก็จะดูจต้นแบบจากพยศนัเลยนงครับตรงตรงคนเดินชีวิตโดยการใช้สามออเนี่ยนะคในการเป็นที่ไต่ของผู้ชนะแล้วก็ใตเสาหงหน้าสีดาที่พวกเขาในเวลานนั้เนี่ย เขาพลาดการถ่าออกแต่วันนี้เราได้เรียนรู้เราเห็นกับอย่างเวียดดูเราเห็นกับอย่างอังกอร์วันนี้เราสนใจนะครับว่าเราจะเราจะดาเนินการกับถ่ดออกไหมนะครับยุทธศาสตร์ถางอเป็นไงครับตอนที่หนึ่งนะครับอยู่ตามแนวทางกับเรายานพูดตรงนั้นครับ การอยู่ตามลำพังวิญญาณนะครับไม่ใช่นะเป็นการอยู่กับตัวเองเหมือนอย่างความเรื่องความที่เขาเขาใจกันเลยนะว่าต้องใส่โหลดนะต้องอยู่กับตัวเองต้องติดคุเว้ต้องนั่งทำสมาธิอะไรตรงนั้นนะอันนี้ไม่ใช่นะครแต่เป็นการติดตัวเพื่ออยู่ลำพังกับวิญญาณแต่คูนต่อหนึ่งตัวอย่างเอาตัวอะไรชัดเจนนะในข้อที่1บอกถึงการหลุดการใช่ไหมครับข้อที่19บอกว่าอะไรครับทีที มีวเดียววห่บมาอะไรครับชอามาอะไรครับหเห็นไ้ครับ<ม>ตามะไรครับตาเคยเห็นไม้ายสก้าตาเคยเห็นไหมครัลองพูดเาอะไรอีกครับตามเคย<ม>เลยตาเคยนี่ไม่ได้ไปติดตามเคยนะตามเคยเนี่ยหมายถึงว่าการทาเป็นปกติที่ใส่ทาเป็นประจาแล้วก็สวนไล่เลยคือชอบมากๆที่ได้ทานั่นคือการ การอยู่ลำพเงพระวิดาแบบตามเคยนะแล้วก็ในข้อที่17คับในุกาณนะบอกว่าอะไรครับเขาอธินอีกวลีอย่างไงบ้าอะครับเมื่ออะไรครับมาอยู่ที่นั่นคว่าเมื่อมาอยูหนั่เนี่ยแสดงว่าอะไรครับพระเยซูมีที่ประจําของพระงนะครับเป็นที่ที่ประจําเป็นที่เดิมเดิมเลยนะที่จะได้อยู่ลำพังแบพระวิดานั่นคือแล่งที่เชิญพองให้ไมด่สดพระงไม่ได้ไปครั้งแรกนะบกพรงเนี่ยรงค์แตัโว้เน่เป็นประจําง แล้วขอบมมมีมุมมเป็นประจาเลยว่ามุมนี<__ s> <S ้อ่ะที่โต้เนี่ยจะเข้าเข้ากับพิธีแล้วก็ทีสาวรอยู่ตรงนั้นเราต้องเข้ามาอยู่ตรงนี้เป็นที่ประจำขอจริงอยู่นะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อ่โตแย้งนะว่าเราสามารถที่จะคุยอย่างพิธีเนี่ยได้ทุกที่ทุกเวลาอันนี้ก็ถูกครับอยู่บ้านละเมงก็คุยได้อยู่รถละเมงก็คุยได้อยู่ในห้องเด็ก็คุยได้อยู่ในห้องงานก็คุยได้ทุกที่ครับแต่เวลาวันนี้เราพูดถึงการเข้าเข้าที่จะเข้าจตรงจำเป็นจะต้องมีเวลาแบบตามเลย เราถึงจกมีความสามารถที่แนบแนบชิดตัวกันกับพี่ดาได้จริงนะเส้นตามแบบไม่ได้ถูนะแล้วในข้อที่สี่เดียร์การเปลี่ยนเสียงคำว่าอะไรครับไปจากเขาไลประมาณเท่าไหร่ครับในข้อที่สีเดรของลูกกาไปไกลจากพวกเขาเนี่ยลงแล้งพวกเขาไวเนีแล้วก็ระยะห่างเนี่ยที่ลงเว้นไวเนี่ยคือระยะเท่าไหร่ครับปรานึ่งตประมาณนี้ครับแล้วแต่กำลังของแต่คใช่ไหยครับ ท่าเด็กเขา้าค่อยจะตกอยู่นี่ใช่ถ้าผู้ใหญ่เขาขั้นเขาไกลออกอย่เง้ยเปนระยะที่โครงสร้างไว้เนี่ยนะครับห่างจากผู้อื่นนะครับระยะประมาณคั้นตกลองผู้ปังมานีครับระยะขั้นตกแล้บก็ไปไปใช้ประยุกต์กับตัวเองแล้นะครับว่าระยะที่ตัวเองจะมีมีเวลาที่ตามเคยกับตรงเนี่ยนะครับระยะที่ตามเคยกตรงเนี่ยนะครับแล้วระยะที่คั้นถึงตกห่างจากผูอื่นเนี่ย แต่อยากจะเน้นความหมายว่าสำคัญมากๆการที่จะต้องดยู่ตามหลัการสัตยาสัตว์ท่านที่เพื่อท่า น, นอะไรครับไม่ต้องเสพไท ย, น, ยทนั่นคือตที่มาต่อทำงานที่พ่อหานะฮแล้วก็อาจารย์โกโลก็ส่งเสริมความคิดนี้นะครับอันนี้ต่อพี่น้องที่มีคพาอบครัวแสาร ร, รยาเนีนะครับสำหรับผู้ที่เป็นสามีภรรยาอาจารย์โกโลบอกว่าอยากปฏิเสธ ก, การอยู่ร่วมกัน เวนแต่ได้รบลงกันเป็นการทูกทค้าเพื่ออุทิศตวในการอธิษฐานแล้วจึงค่อยมาอยู่ร่วมกันอีกเพื่อไม่ให้ตาทานทัศนจูให้ความบิดเบวโตไม่ได้โดยบที่เจ็ดพันห้าอาจาโราก็ยังบอกยว่าแม้ท่นคำสอนสามีรยาต้องอยู่ด้วยกันห่ามแยกจากันนะครับแต่อาจายโรก็บอกว่ายัก็ตามมันจะมีช่วงเวลานึง น, นะครับที่จะจะประกงกันแล้วก็แยกมาเพืจะอยู่ร่วมทางของยา นะผมเองเนี่ยต้องไปทนเลยนะเวลาเดินทางไปต่างประเทศเลยนะจะต้องคว้าหนังคว้าไปด้วยเสมอ น, นะครับคนที่ว่าตัวเองไม่ต้งเข้าไปในงานหลอกนะครับก็บางครั้งก็หางคว้าก็ไปได้ได้บางครั้นะกงก็ไปได้ม่ได้แต่ล้าสุดบคุณพระเจ้านะเราก็มีการผมไปประชุมที่ออสเตรเลียนะแล้วก็หนั้ก็บินไปได้ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ที่กัดในะครับงนี้่นะครับก็ขอ เขาไปที่นหนกเขาก็นึกได้ว่าเอมีพี่น้องเราท่านยังอยู่ที่ออเจือเครื่องมือใช่มาได้แต่่รู้ที่ต่อย่างไงก็เลยติดต่อนัาเททางเฟซบุ๊กนะคุยกับเอแล้วก็ขอเอติดต่อจนั้นเก็น่ารักมากช่วยประสานบน้องนยเค่อมือเนี่ยโทรมาหาเราที่โรงแรมนะก็อุจ้าเป็นการโรงแของโมแล้วก็ครอบครัวเนี่ยสามีเขาคือจุนจีนะกับมือเนี่ยแล้วก็ลูกเ้าท้องมา มาใช่ไหมนักรมาเก็สกลงมาแล้วเราที่สนามบินนี่ที่โรงแรมนะเราต้องไปเยี่ยมพนิบ้านแล้วเมือก็ฝากความที่ถึงมาพี่น้องทกคนที่นีด้วยนะว่าพวกเราตายเมือกิเภารกจ่อหน้านะครับในทางเดียวาด้วยนะเดี๋ยวจะให้เราดูไม่ทราบมีที่นองได้กาได้ชมภาพยนต์เรื่องบอลรมเนี่ยครับไปมนครับ ถ้ายังไม่จบเนี่ยอยากจะเชียร์พี่น้องนะว่าหานเรื่องนี้ดูให้ได้นะเพราะว่าจะจะเราใจี่น้องนะฐานี่น้อมากๆนะในในการดูข้อัรื่อี้นะแล้วก็ตัวนี้นะตัดทึงได้ลำตออย่างไรพี่น้องดูนะครับเป็นเป็นช่วงนายบีที่20กว่าๆนะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณนายีเรียกนะครับแนะนาห้องโถงที่สุดในบ้านของเธอคุณนายบีเรียกเดี๋ยวเล่าตรงนี้นีคุณนายบีเรียกเนี่ยเป็นเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้โสดแหละมีเธอจางไปล แล้วก็เจอเราจะขายบ้านบางเนี่ยที่อยู่เป็นบ้านบ้านแบบบุตรพิรุษมาเลยแล้วก็ไปเจอกับเซลล์ที่เป็นพิเตอร์เหนกันนะเธอก็เป็นคุณนายเพื่อปพิเตอแล้วก็้หินนี้ก็เป็นพิเตอรแล้วก็ครอบครัวในบ้านมีปัหานะสามีกำลังนอกใจอะไรเนียนะ่กด้วยกันนะแล้วไปดูบางบทบงตอนที่คุณนายเพื่เนี่ยพาเซลล์ทเดนไปเนี่ยพาเดินชมในบ้าน้ตเพราะว่าเราต้องบอกว่าบ้านเขาเหยบ้านเชื่อชิเดีให้จะช่วยพขายบ้านได้นะแล้วก็แนะนา มาถึงห้องที่เจอโผที่สุดนะเจอกันไหมกันแทเจอไม่ค่อยนัอเอแต่ที่สถึงเวลาที่ฉันจะพาเธอไปห้องสุดโปรของฉันในบ้านหลังนี้แล้วที่นี่กุญแจฉันไว้ใช้มล่ะลูกปล่อยข้อย่เรียมว่าห้องสุด สามีกำลังเป็นอยู่แต่มันไม่มีประโยชน์เและหลังจากนั้นฉันก็เริ่มศึกษาเรื่องคำของพระเจ้าว่าพูดถึงอะไรแต่พระเจ้าได้บอกกับฉันว่าไม่ใช่หน้าที่ฉันต้องแบกรับปัญหาหนักเหล่านี้นั่นเป็นสิ่งที่ต้องเป็นพระองค์เท่านั้นที่จะมองได้หน้าที่ของฉันคือแสวงหาไว้วางใจและมั่นในคำสอนของพระองค์เมื่อกฉันไม่เคยเจออะไแบบน้อนฉันนัถือคุณจริะะจริจริ เวลามากพอที่จะทเลาปกับสามีของเธอทุกครั้งน้อสงสเม่ถ้าเธอพอจะให้เวลากับฉันสักอาทิตย์นึชั่วโมงได้ไหมฉันสามารถสอนให้โู่อย่างถูกวิธีได้โดยอาวิธหเหมาะสม มีความไม่บหรือเปล่ามีแควรบกวนหรือเปล่าถามมันนะครับแล้วก็เวลาที่จัดไว้นี่นะครับเป็นเวลาที่เริ่มต้นต่อชีวิตัไหมทุกคนหรือเปล่าเมื่อเช้าอยู่ลำบาต้องพาราแล้วก็เม่ตนแก้ี่น้องนี่น้องอาจะบอกว่าเวลาที่เหมะสมกับฉันเนี่ยเป็นชงเวลาก่อนนอนก็แล้วแต่ครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลหรือว่าจะเป็นข้ออ้างอะ น้องก็จะจะรู้ตัวนี right? ้นะครับว่าเราหจากวันนี้เรารู้บทเรียนสามอันนะครับยุทธการที่หนเนี่ยคือออแรกคือการดูแลมนุษย์พิดาเรารู้ว่าต้นแบบคือเยูเนี่ยร่วมใจอไเราก็จะจัดตามอย่ชีวิตเราก็จะปกอดภัยจากโลกเราก็เป็นขบวนแหุ่ด้วยออที่สองครอธิษฐานต่อพระบิดานะโค้พท้องมันครับอธิษฐานต่อพระบิดา อาจารยารตัวอย่างไปดูเนี่ยดีมากๆนะครับถ้าพี่น้องลอองดูจากตัวอ่ารนีนะคบปกกันนะครับอย่างมันิวอะมารโกเนี่ยมร์โกเนี่ยเริ่มมีเฉพาะมาร์โกเทานั้นนะครับที่เรียพิดาวาอาปาทาไมทไมมาร์โกถึงเรีว่าอาปาเพราะอาปามีความหมายองนี้นะครับว่าอาปาเนี่ยเป็นภาษาอารามกแปลว่าพ่ออาปาพ่อการที่พระยิโเนี่ย เริ่มต้นเรียกพระองค์ว่าคุณพ่อเนี่ยนะท่านโอแ้แสดงว่าอะไรครับความสัมพันธ์นี้แนบส น, นิทใจแนบมากใกล้ชิดมากเป็นเสมมากแล้ว่าคุณพ่อเลียกหลงพ่อว่าคุณพ่อกระบิาดาไม่ใช่เรียกหลวงพ่อคงสามารถเรียกว่าพระเจ้าก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้แต่ตรงเรื่องที่จะเรียกว่าคุณพ่อนะแล้วก็ต่อด้วยอะไรครับหลงเริ่มต้นด้วยการสารเสด็จเจ้านะครับ ยังไม่เข้าไปสุดที่พรงเพราะว่าในในคมอธิษฐานในขั้งคืนวันนั้นเนี่ยเรารู้กันแน่นอนล้ว่าพรงทุกหนักมากทุกใจมากเห็นไหครับแต่พระองค์ก็ยังอะไรครับต้อกจากเีคุณพ่อแล้วพระองค์ก็เริ่มด้วยอะไรครับพรเดิร์นพระพิดาอกว่าพรองคาทรงกระสิทิทั้งโกได้นะครับนนาราโบนะแต่ว่าพระองค์าจทรงกระสิทิ์ทั้งได้คือราสาเิพระเจ้าว่าปัญหาม่วจะใหญ่ได้ขนาดไหนเนี่ยพระเจ้าํามารถจัดทำเองนะคุณพ่อรงทําได้ทุกอย่าง การริ่มต้นของกาษาเราเดี๋ยวเราจะําเริ่มต้นหน่อยดครับเราก็เลครับอันนี้ถึงสุดที่เราจะเป็นเนื้อหาของภาอาเราแล้วนะครับอยากให้น้องใช้หลักการนี้นะครับตามรูการนะครับบอกว่าอะไรครับหนึ่งห้าองแพูดพร้อมกันครับหนึ่ง้าอแดเราใช้หลักการนี้ในการไปอผ่านครับหนึ่ง้าอแเป็นไงครับถ้าที่หนึ่งคืออะไรครับถ้าพระองค์ทรงท เพราะว่ารนะาฉะนั้นถ้าพระองค์ขอไทยลูกขอให้ลูกผ่านการสอบทนี่ได้ถ้าพระพิดาตรงขอไทยลูกขอให้ลูกได้รับการช่วยท่าถ้าพริดาทขอไทยลูกขอให้ลูกเดินทางลงขอไทยถ้าพระพิดาทรงขอไทยลูกขอนันไม่เป็นคิาแล้วก็สอแตกนะครับแตกจะ อย่างไรก็ดีอยากให้เป็นไปตามใจของลูกแต่อย่างไรก็ดีอยากให้เป็นไปตามใจของรูกลูกขอให้ต่อผ่านลูขอให้ทำงานทีโทรทัศน์เองต่างทีแต่แต่อย่าให้เป็นไปตามใจของลูกเลยแล้วก็แต่ที่สองเลยครับแต่ขอให้เป็นไปตามตัองนะครับมันเราใช้หลักการหนึ่งท่าสองแต่เนี่ยไปใช้ในการอธิฐานในชีวิตได้นะครับแม้ว่าเราจะเจอปุ๊กหนักขาดไห ว่าเราเจอความต้องการที่เรามีความต้องการมีความว่านว่าปีนี้เราจะมีขายงานอยู่ี่นี้นะครับเราใช้สูตรหนึงค่าสองแตกไปอีกทานะครับแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบแต่ตอบนะครับไม่ได้ตอบไม่นะเราประกันนะว่าพระเจ้าจะตอบตามที่ใจเราแต่ผมรับประกันได้เลยว่าพระเจ้าจะตอบตามว่าไถ่สัวแล้วก็มั่นใจเลยนะว่าพระเจ้าจะตอบกันแอบที่ดีสุดตอบท่านนะครับพี่น้องว่าอําตัวอะไรที่ใหญ่ที่สุดครับ ใหญ่จ ja, ุดใหญ่กงทุนเมื่อกี้ทำบริจัยใจญ่จุดนะรับชอบทำอะไรตามบริจัยเลยนี่คือใหญ่จุดแล้ววันนี้ครับเราพอเราภาพนะข้าวพระเจ้านะว่าตอนแนี้ไปนะเราจะไม่ทำตามทำาริจัยเราอีกแต่เราจะทํามทำบริจัยของพระเป้าก็อยากจะ แล้วก็หลงนี้นเราก็เห็ว่าพายุูก็อิฐฐานแบบนี้นะครับ 3,000 ครับไอ้ฐานเนี้ยไม่ใช่ครั้งเดียวนะเพราะว่าสึกหนักตกทางหนักเลยนะครับ3ทางด้วยกันครับอาจานแบบมี้3ทาก็ดีกว่าเลยครับถ้าแพ้การทดลองแล้วก็ไปเสดพายุทู3ทางครับจะไหมจะไหมครับ <S <S แล้วก็ผลที่ได้รับจากนนการอิฐฐานเนี้ยนะก็เวลาต่อพายุทูยังไงครับ ในลูก yes าเพราลูกาเพรานั้นที่บอกว่าพระบิดาส่งผู้สวัสด์ลงมาแล้วก็มาช่วยกำลังโลกนะครับแล้คําตอบทันทีถ้าเราอยากเอาท่าทีตรงนี้และการตอบทันทีนะครับคตอบที่ตรงใจพัญาอะไรที่ีที่แล้วการเสริมกนาังล้วก็สามารถที่จะครับไปดูสามารถที่จะผ่านวิกีได้ถึงแม้ว mm. ่าข <itä Short Fitness> ั้วนั้นที่พระเยซูขอว่าให้ขั่วนี้เลื่อนผลไปจากโลก้าโลกขอไแต่เอกที่ได้ด้วว่าลูเอ๋ยเจ้าผ่าน วิกฤตเนี้ยได้ตัวที่เราชร่วยตัดให้เจ้าเองวันสุดท้ายพื่ดูเขาต้องมาเิญกับ ก, การทดลองนะผ่านเขา้าสูา่การสธิษานแล้วก็แสตมโ์ลงก็ผ่านได้เราก็ชนะด้วยเดี๋ยวเราดูในขั้นต่อไปนะครับช่วงเนี้เป็นช่วงที่เอลิสเบตเนะี่ยอยู่ในห้องอธิษฐานแล้วะฐานเกลือต่างมีของเขาชื่อโทนี่นะครับโทนี่เนี่ยกำลังเตจมการทดลองห น, หนักๆเลยในชีวของเ ข, งขาเนนะครับแล้วก็เป็นการทดลองที่อนะันตรายมาก ของตัวแรกเดี๋ยว ครับเราเอาหนึ่งข้นงของใต่ลนะอันเราเรียบตรงก่อนนะครับอาปากระพียานะแล้วก็ร่วงตรงจะทำได้สิบอย่างก็จะเสร็จตรงอย่างก็งงง ไ, ได้นะนครับแล้วก็อ๋อที่สครับเอาชนะได้แล้วพูดออกันครับเอาชนะได้แล้วตัวอย่างอปุปสรรคหรือจุดอ่อนในชีวิตนะครับที่อาจจะเป็นไปได้ ยในู ก, การนะครับได้บอกว่าความทุกหนักเปเยตูนะครับเจอความทุกข์หนักรถเดโทเงือนะครับของเปเยูเนี่ยไหลออกมาเหมือนกับเป็นโรฮิตแน่ใจเลยตาบอกมีใครมีสมการ น, น, นี้ไหมครับแต้ช่วงเวลาที่จอมเดริทเข้าสู่บางตอนที่ว่าเหมือนอย่างนั้นโทษแรงประหารเนี่ยเขาประกาศแล้ว่าต้องเข้าไปสูก่การประหาที่เนี่ยผมก่าทุกคนมีอารมณ์ประมาณนั้นกํัติดตกตังบนเลยมากทุกหนัก หรือว่าจะเป็นความทุกโศกที่เราตะวบนอนหลับไหลไปด้วยความทุกโศกใช่ไหมครับหรือว่าเป็นการก่อนพลังมากจนมึนตาไมขึ้นก็ตามเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเหนื่จากการงาน ก, การเรียนการใช้ชีวิตต่างนะครับแล้วก็ในมาร์โกบอกอะไรครับไม่รู้ว่าจะาใช้ฐานอย่างไรนะครับไม่ว่าจะมีอุกภาษาหรือจิตอ่อนยังไงก็ตามเลยนะครับเราสามารถที่จะใช้วิธีการของได้ไม่์ ส, สุประกาศไว้ชัดเจนนะใน ย, ยอนอยู่ที่ตัวเขาที่ตากส่างล้ในเวลานั้นเนี่ย โครงก็ยังไม่ไดชนะใช่ไหมครับแต่โครงประกาศไว้ตอนนั้นแล้วว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านว่าเพื่อท่านจะได้มีผลในเราในโลกนี้ท่านจะจบความยุ่งากแต่ยงขึ้นในเดือเพราะว่าเราได้ชนะโลงแล้ในเวลาโครงยังไม่ได้ชนะแต่โครงประกาศไว้ข้างหน้าเลยว่าโครงชนะโลกที่อยหนะลงททังนะครับแล้วก็ในหนึ่งกรณีบทที่5ที่6นะครับบอกว่าประตูโัวสุดท้ายที่งครงลงทำลายนั้นคือความตาย รงชนะโลกรวงชนะความตายและร่วงก็จะชนะศัตรูที่สําคัญก็คือมารดาตายร่วงก็นะทุกวันก็จะเดียวกันนะเพให้เราที่จะสามารถประกาศจะชนะแบบเบรบุรีสูดได้เช่นเดียวกันนะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะมีความความอ่อนอ่อนล้าอ่อนแอในเรื่องของสีวิตของการปธิฐานเราเนี่ยนะแต่เราสามารถที่จะประกาศกั้วันนี้เลยนะว่าฉันเอาชนะได้แหละ หลักการในการเอาการที่ตางเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นเอาชนะที่ใจเราก่อนครับที่ความคิดเราก่อนย้อนกับตัวเองนะครับว่านันอยู่ในประตูฉันชนะแล้วเราตามไม่มีมมอำนาจอยู่ท่านต่อไปนะแล้วก็ชันจะนัการรถไฟด้วยฉั้นชนะประตูสุดท้ายก็คือความตายไม่ไ้รอแล้วในวันนี้เพิ่เมื่อ 2,000 ของปีที่แล้วคุณพูดกับตัวเองเนี่เป็นประจําตู้เช้า ว, ว่าฉันเอาชนะได้แล้วผมบอกคนข้างเรียกว่าคุณเอาชนะได้แล้ว ในช่วงท้ายของการเดินทางท oh. ัวน en e. ์สวนเกษตรในของเราในเช้านี้เนี่ยนะครับก็อยากจะขอกให้แต่ละคณะเนี่ยนะส่งเสียงเตือนแก่ทุกหน่วยการนะครับว่าอย่าได้คณะมัดคิวนะนะครับส่งเสียงเตือนให้กับอีกสองคณะนะครับเพืด้วยเสียงเบาๆนะเร็จะเตื่อนจากเบาไปหนักนะครับให้มัดคิวนะครับเตื่อนทั้งสองคณะนะครับว่าศัตรูมาใกล้แล้วอย่ารับการระดับไหลเดี๋ยวพวกเขครับ ตับมาล์โกนะเป็นทั้งสองนะเพ่อนเพื่อนร่วมทางของท่านนีบอกว่าพอเออยาร่างายลับไหลแล้วก็คณะรุการนะครับนเน่รวทางเเนี่ยมีทั้งเนี่แบบหนักๆเลยนะจัดเต็นเลยนะว่านอนหลับไม่อยากร่างกายลับไหล เ่อต่าสาม่า น, นแม้ว่าเขาส่งเสียงเตือนเนี่ยต่างๆกันคนระับอันนี้คือปวามจริงในยว่ามีนะนะมัติวบอกว่าผู้อายัเนี่ยมาใต้แล้วนะครับเป็นงานเตือนกับบางงานหอยนะิ่งอบางหน่อยมันมาใต้แล้วนะครับส่วนมาราโคบอกว่าอะไรครับพอเส็นทีจยุดเส็นทีที่จะหลับไหลต่อไปเนี่ยุดได้แล้วนะส่วนบูการมาอย่างไรครับนะนอนหลับเลยไหมนะสงได้แล้วใช่ไหมครับนะแล้วก็เสียงดนะังนะเสียงเตนสุดท้ายยังไ่ตัวเององจกจำเจ้าไหนาเราบอไกไว่าอะไรครับ จงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องผูกการทะเล อ, แ อ, เ อ, อนนะแนเวลาที่อยากอินเทอรพี่น้องทุกท่านนที่ยืนขึ้นลุกขึ้นไหมครับไม่ใช่บอกว่าจงลุกขึ้นเราจะลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อจะไม่ผูกการทะลองนะครับก่อนที่เจะร้องเพลงสุดท้ายด้วยกันนะครับโจทย์ของเราในเช้านี้ใช่ไหมครับจะฉันจะฉันไม่ต้องการหลับสายสายญญาณฉันจะต้องทํำยังไงขั้นตอนที่เราได้ในวันนีค้คืออะไรครับสามออกอยู่ตามลำพังกับพระวิดา ไอ้ฐานตอกพระพิดาแล้วก็เอาชนะได้แล้วเอาสอมอเนี่ยไปไปใช้การต่อสู้ในชีวิตนะครับแล้วก็เราก็จะประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันชั้นนะว่าชั้นจะไม่รัการหลับไหลนะพร้อมกันนาเบนสองท่านชั้นจะไม่รับการหลับไหลไหนทำเองเราจะร่วมเบงรับการด้วยกันนะครับ ดี่จนะครับที่อยากจะภาวนาด้วเองคราวนี้สันยาณนโงว่าฉันผมพร้อมแล้วที่จะเริ่มใช้วิธีการตักตอตักตอแบบพระบิดาตักตอาบบพรบิดาก็ภาวนาได้แล้ว ความอนแนบความอนเบียขาดจากการงานในการเรียนชนการชถ้าพี่น้องปัญหานะครับ็ต้องจะบอกนะครับอยากจะออกมาพนดคุอะครักอยางนะครับอยางนครับเราจะออกมาพดคย้กันด้วยกันนะครับีครับถ้าพี่น้องที่สะดวกนะครับเรก็ออกมาได้นะครับอยาจะออกมาแล้วก็รวมพลังในการในการอราจะกับใจในวันนี้นะครับว่า บอกกับพิดานะครับว่าอับบาพระิดาที่รับร่วงทรงกระทำได้ทุกอย่างร่วงเอาชนะความอ่อแอของเาได้นะแล้วเราจะใช้สามออย่างได้ดูใช้เราจะมีชัยชนะเหนือสิ่างที่ได้นะเขาเราจะเอาชนะความหลากหลายของความยานของเราได้นะดีไหมครับเราจะรุ่งแรงหายครับสำหรับที่เราถามไปทางพี่น้องที่ จะเป็นอะไรออกมาเนี่ยเดืนออกมาได้นะครับถ้าแต่พฤติกรรมที่รักอัปาพฤติกรรมของเราทั้งหลายตรงตรงจะทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดเลยที่ตรงตรงจะทำไม่ได้ถ้าพฤติกรรมตรงตรงขอตรงที่จะช่วยเราทั้งหลายมีใจชนะเหนือการหละสายสายวิญญาณได้สรงูรณ์เต็มสมบูรณให้กับเราทุกคนพรเจ้าพี่น้องพี่เดินออกมาด้านนี้เขามีความประหาที่จะหุดค้น จะา ก, การหลากหลายปยายาจัจจัยนเจ้าขอทรงเสริมกําลังให้เขาให้เขามีชีวิตที่กระตือรือร้ปปรจจัาเขาจะออกไปเป็นพยานเขาจะเริ่มต้นจัดป้องเขาในการพิถามเขาจะเริ่มต้นจากเวลาเขาในการทพิธานตามเคยกับโลกพระพุทธเจ้าทรเสริมเข้ามาก็ด้วยถ้าลงตรงกดข อ, อนหนดให้เป็นเส้นน้ำด้วยนะเจ้าแต่อย่าให้เป็นประจําใจปัษจายของเราเลยนะเจ้าแต่ขอให้เป็นไปตามําพระใจของพระพิธาย เรารุวมกันอธิษาในสนาของไว้เ okay. จ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ้าเรายังอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เราจะร้องเป็ น, นี้อีกครั้งหนึงนะครับ okay. มีใจใของหนาที่จะรับรงเป of, ็น really เราเ lim ่ว่าท่านนครับให้ท่านเอามือท่านวางไว้ใจในเช้าันนี้นะครับเพราะเราใจานยท่านนะครับเหไหครับเอามือท่านวางใจนะครับเราเราใจหาไว้ในะครับแล้วท่านสะดวกนะครับเราท่านปัดหนาแล้วท่านสามารถที่จะออกมาข้างหน้าได้เรยเช่นดกันนะครับเราจะให้ทาด้วยกันเพราะบพี่น้องที่ยืนข้างหน้าเราจะทานด้วยกันเห็นไหมครับเไหมครับดทใจไหมครับ ข้าแต่พระเจ้าดวงาณที่รักข้าพเจ้าพระยาทัหลายขอขอคุณพระเจ้าที่คาสอนหลักญาณชีวิของพระคิดเราออกหนาแล้วพระเจ้าเราะอาชนะแล้วพระเจ้าเราชนะเหนือความตายเราชนะเหนือความหอดแดเราชนะเหนือความไม่รวายต่างในชีวิตข้าแต่พเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าเราเอาชนะส่วนนักของเราการปฏิบัติญาณเรานะแล้ว ไม่จริงเพราะเวลานี้วันนี้เ่านั้นพระเจ้าแต่ทุกวันจะเป็นวันที่เราเริ่มต้นใหม่ของพระบิดาเรารู้ว่านี่เป็นพระทัยของบิดาลเราจะปฏิบัติตามพระทยของพขอบุณคว่กันแล่ขอบุญความเราทุกคนให้ควมอของทุนไปถึงญาติพี่น้องครอบครัวเราด้วยไปด้วยพูกเขาที่ยังรู้จักกบะเจ้าก็จะพระเจาเราเรียกทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงมีพระทัยที่เมตตากว้างขวางพระเจ้าลงโปรดหยิยื่นพระเมตตาขององค์ไปพวกเขาพี่น้องพวกเราที่ยังรู้จักอบเจ้าเาฐานถึพวกเขา เราหมายความว่าสิ่งพระเจ้าตราล้ขอต่อพระเจ้าด้วยพระเจ้าพ่อแม่ของเราพี่ๆน้องของเรารูกๆพันธังเราที่ยังรู้จักกับพระเจ้าถ้าแต่พระเจ้าเวลามันมาใกลแล้วพระเจ้าเราจะขอพระเจ้าที่ทรงโปรดให้ตาพวกเขาพวเขาที่จะรัของรอด้วยทรงใช้เราพระเจ้าใช้เราไปที่ทางานของเราไปที่เรียนของเราไปที่บ้านของเราไปบ้านญาติของเราพระเจ้าก็จะประการืองราของพมบพวกเขาของอีเตอร์นี้ อีสกาชนะอีเตอร์ก็จะช่วยเราคด้วยมาก็เพออีกย่าง่วกันในขนี้จะเองาจะเดีขอบคุณอกานี้กคนะขอมองหลาย นะครับ